3. โอวาตวัค 8. นาวาพิรุหณะสิกขาบทว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกันเรื่องพระชพคี 186. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชัพพัีชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกัน พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรเหล่านี้ชักชวนภิกษุณีทั้งหลายเล่นเรือลำเดียวกันเหมือนพวกเรากับพระยาเล่นเรือลำเดียวกันพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนาพวกภิกษุชาวพคีจึงชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันเล่า ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ